2> BOOK 2เกสิห้าสาสันธานสองเสเธอไม่ทางานตั้งแต่เมื่อไรคุณเอาใจตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ เก่งใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน彼อは働ตていませんตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย働ตていませんตั้งแต่พวกเขารารู้จักกันพวกเขามีความสุข 知り合って以来、彼らは幸せです。เขตัーーいい้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย子供ができてから彼らはあまり外出しなくなりましたเธอโทรศัพท์มาตอนไหน彼女はいつ電話するのですかขณะขับรถหรือ運転中ですか ใช่ขณะที่เธอขับรถเอ้ยขับรอยู่เธอโทรโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าเธอดูอผ้าขณะที่เธอรีดเธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน 彼女は宿題をしながら音楽を聞いています。ディシャンは見えません。メガネをしていなかったら何も見えません。ディシャンは見えませをしていなかったら何も見えません。ディシャンは見えません。メガネをしていなかったら何も見えません。ディシャンは見えません。メガネいなかったえません。ディシャンは見えません。メガネをしいたらディシャンは見えまん。メガネをしていなかったらなかも見えません。ディシャンはいかったらいなら何もいたら何も見えません。デん。メいなん。ディシャンはいなかったえません。ディシャンは見えいなかん ตอนที่ดิฉันเป็นหวัดฮันาค่าเซโนะทุกิวะนิโอยะกาวะคุิมเนเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกอะเมโนะทุกิวะแท็กเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ทากาตะกุจ世界旅行に行きますถ้าอีกเดียวเขายังไม่มา